เชิญใครอยู่วัดหลวงพ่อคะถ้ามีสติอยู่มีสัมมาสมาธิเนี่ยยังไงก็ต้องเดินปัญญาใช่ไหมคะไม่มีเบี่ยงเบนเป็นอย่างอื่นได้เลยมีเวลาเดินปัญญาไม่เดินตลอดเวลานะจิตจะพลิกเข้ามาทําความสงบเป็นช่วงๆไปงั้นถึงเรามีตัวรู้อยู่เนี่ยบางทีตัวรู้ก็เดินปัญญาบางทีตัวรู้ก็อยู่พักอยู่เฉยๆอยู่กับตัวรู้ งั้นตัวรู้นะเอาไปทําสมถะยังได้เลยนี่เราสังเกตดูจิตเดินปัญญาหรือเปล่าเนี่ยคือจิตมันตามรู้ตามดูสภาวะความเกิดดับของรูปนามไหมถ้ามันเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอยู่นะมันเป็นคนรู้คนดูอยู่ยี่นี้เดินปัญญาอยู่ที่มีสติมีตัวรู้อยู่นะแล้วก็พักอยู่เฉยๆก็มีเพ่งตัวรู้ก็เป็นสมถะนะสังเกตเอ การเดินปัญญากับความฟุ้งซ่านเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันมากเลยนะคนทั่วทั่วไปฟุ้งซ่านส่วนนักปฏิบัติเดินปัญญาเวลาเดินปัญญาจิตมันก็ฟุ้งนะจิตมันก็ทำงานมันต่างกันนิดเดียวเองตรงที่นักปฏิบัติเนี่ยมีสติตามรู้ไปรู้สภาวะที่เกิดขึ้นนะพอมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วจิตใจเป็นยังไงมีสติรู้ทันจิตใจเข้ามาอีกนะ งั้นรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดความยินดียินร้ายมันก็ย้อนกลับมารู้ทันความยินดียินร้ายอัตโนมัติอีกนะงั้นมันจะเดินปัญญาไปเรืยทีหลวงพ่อพูดสอนนะพ่อพูดเคยสอนของพ่อฟุ้งร่านกับปัญญานะใกล้กันมากเลยบางคนกลัวฟุง้งก็เลยประคองจิตให้นิ่งไม่ยอมเดินปัญญาเลยนะหลงไปคิดเราก็รู้ว่าหลงไปคิดเนาะ ใจมันลงไปเราก็รู้ทันกลับมาเพ่งไว้เราก็รู้ทันนะมันเป็นยังไงเราก็รู้จิตอยากพูดเราก็รู้ทันนะอย่าให้ถลำลงไปอย่าให้ถลำลงไปในการรู้รู้ห่างๆรู้สบายๆสงสัยอะไรล่ะสงสัยว่าเอ่อไม่จิตเขา เป็นเพราะว่าเขาไม่มีกําลังหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่สมาธิเขาเหมือนเขาหลบพักอยู่ตลอดแล้วพอหมดแรงพักก็ถึงได้เขาเหมือนเขาเจอธรรมะที่เขาตั้ใจเขาถึงจะลุกขึ้นมาตัวนี้ ม, นมันตัวนี้มันไม่ใช่ตัวรู้ค่ะมันยังถูกอารมณ์ย้อมอยู่ดูออกไหมนะมันถูกความท้อแท้ใจบ้างความเศร้าใจบ้างอะไรอย่างนี้ย้อมนะมันมืดมืดหมัวห ม, มัวไปมไม่ใช่ตัวรู้จริงแล้วดูออกปะ มันคือมันเห็นมีแรงบางอย่างแต่มันไม่ทันเห็นเป็นอะไรอะคะ่ะไม่เป็นไรเห็นแค่นั้นพอละนะแล้วจิตคือจิตมันไม่มีแรงแต่มันอยากเดินปัญญาพอไม่เดินปัญญามันก็กังวลใจอนะไเนี้ยรู้ลงปัจจุบันไปเลยจิตกังวลใจก็รู้จิตไม่มีแรงก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ตรงที่รู้ด้วยความเป็นกลางตัวนั้นพอดีนะ จูนเห็นไหมทุกอย่างไหลมาไหลไปมันเห็นไหมกระทั่งกายมันก็วับวไปวับวไปเอ อ, อแต่จิตต้องไม่ถลําลงไปนะจิตต้องดูสบายๆจิตมีความสุขในการรู้การดูอยู่มีความสุขไหมตอนนี้ไม่ค่ะไม่อ่ะสิไม่ใช่ตัวรู้จริงไงถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็เป็นผู้เบิกบานนะใจที่เดินปัญญานี่ยเดินไปด้วยจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบาน มีความสุขนะเรียนรู้ไปเห็นทุกอย่างเป็นปรากฏการ์เหมือนความฝันผุดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไปแต่ใจไม่ไหลไปคลุกกับมันเนี่ยใจถูกอารมณ์ย้อมดว อ, อกไหมเออนะให้รู้ทันอย่างนั้นแหละสู้เอานะจุนมรรคผลนิพพานเนี่ยบางทีได้มาด้วยเลือดและน้ำตาไม่มีหรอกของฟรีของง่ายยากก่อน ง่ายทีหลังครูบาอาจารย์สอนมานะบอกเหมือนเราลงป่ารกทึบมากเลยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเนยป่าทึบๆไม่เห็นเลยนะรอาทิตพระจันร์ไม่เห็นทั้งสิ้นเหลังคายอดไม้เป็นหลังคาหมดเลยบางหมดพื้นเนี่ยมีแต่ใบไม้ร่วงอยู่มองอะไรก็ไม่เห็นเลยเดินไปข้างไหนก็มีแต่หนามค่อยๆแหวกค่อยๆเดินไปค่อยโปร่งขึ้นเรื่อยๆ ลำบากก่อนลำบากชีวิตมีแต่ทุกข์หรอกไม่มีหรอกสุขอะอ่ะลงไปคิดเยอะอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็กดเยอะด้วยตอนเนี้ยเข้มแข็งยังตอนเนี้ยเข้มแข็งที่จะรับคำสอนอยังเข้มแข็งแน่ใจนะแ <c oughs> น่ใจ <c oughs> ไม่ช็อกนะค่ะ <c oughs> เอาจริงอะจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูออกเขาว่าใจมันเริ่มฝ่อก็พอจะดู น, น so <ft> นะหนูดู <het> ใจมันชอบปรุงมันสร้างภาพอะ่นะนึกออกไหมสร้างภาพเป็นคนเรียบร้อยคนดีเป็นอย่างนี้ใจมันปรุงหมูกระดาบนะเนี่ยเรานับปฏิบัตินะเราต้องรู้ทันปรุงไม่เป็นไรนะอยู่กับโลกก็ต้องปรุงนะไม่ใช่ห้ามปรุงอย่างอยู่กับโลกอะเราทํามมาค้าขายเงี้ยนะ ไม่ปลุงเลยไม่ยิ้มเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เห็น ไ, ไหมต้องมีการวางฟอร์มแต่เราต้องรู้ทันรู้ทันนะมันจะวางฟอร์มให้ดูดีดูสวยดูเรียบร้อยดูอะไรเงี้ยแบบกระชากหน้ากากมันเข้าไปนะรู้ตัวจริงของมันนะเราจะเอาชนะมันได้นะเข้มแข็งนะค<ะ>่ะอ้าวันนี้ล่ะกล้าหารพอไหมพอเจ้าค่ะพอก็ไม่มีอะไรนะ เพราะว่าเข้ามาเนี้ยใจมันก็ตื่นเต้นของมันก็ดูมันตื่นเต้นแล้วมันก็ดิ้นลนวันแรกไม่ใจมันเหี่ยวไปหน่อยนึงเนี่ยรู้ทันมันนะหนูพ่อไม่ได้ดูดาอะไรดอกนะอยากให้หัดรู้ทันมันความปรุงของจิตทุกชนิดนะต้องรู้ทันมันถ้าความปรุงของจิตเกิดแล้วเราไม่รู้ทันนนมันจะย้อมเราเราก็จะตกเป็นทาสของมันเรื่อยๆไป ถ้าเรารู้ทันมันนะไม่เป็นิ่งนอนใจมันก็ต้องพ้นกันไปจนได้แหละอดทนนะพระเนี่ยมีคำสอนนะว่าเป็นพระเนี่ยต้องอดทนหลายอย่างอดทนต่อความยากลาบากในชีวิตความเป็นอยู่อยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอะไรเงี้ยอยากได้บางทีไม่ได้เลยบางทีไม่ได้อยากก็ได้เยอะนะอย่างครูบาาจารย์หลวงปู่เทศเคยเล่า สมัยหนุ่มนมุมีแรงฉันนะ้ไม่มีจฉันนะอยู่ตามป่าตามเขาตอนแก่แล้วไม่มีแรงฉันนะคนมาอ้อนวอนให้ฉันนู่นฉันนี่ฉันไม่ไหวอ่ะนะเนะนี่ยอยากก็ไม่ได้อย่างอยากนะทีก็อดทนต่อความหนาวความร้อนความอดอยากอดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตัวนี้สำคัญมากเลยนะถึงเราเป็นคารวะเราก็ต้องอดทนครูบาอาจารย์สอนนะั้นต้องถือว่าเป็นบุญของเราลนะครูบาอาจารย์บอกให้ หลวงพ่อนะเป็นคนซึ่งเคารพครูบาอาจารย์มากนะแต่ไม่กลัวเวลาอยู่ห่างๆเวลาจะไปหาท่านปอดเหมือนกันนะกลัวแต่พอเข้าถึงตัวนี้ไม่กลัวเลยอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ขึ้นชื่อลือชาดุใครๆก็กลัวนะอาจารย์มหาบวงเงี้ยใครๆก็กลัวถึงเวลาถ้าเข้าใกล้ถึงท่านนะ่ะไม่กลัวกลาว่าถ้าเราไม่ดีแล้วท่านดุท่านด่านะเป็นบุญคุณกับเรานะ เราจะได้พัฒนาตัวเราเองนใจมันคิดอย่างนี้งั้นไม่กลัวครูบาอาจารย์ลนล้านถูกว่าถูกกล่าวอะไรนะจะดีใจมากเลยเราจะได้พัฒนาตัวเองท่านก็เคยบอกทีหนึง่งนะว่าเราภาวนาผิดตอนนั้นภาวนาดูจิต ด, ดูใจไปเรื่อยนะแล้วทิ้งสมาธิไปนานทำสมาธิมาแต่เด็กเพอมาเจริญปัญญาเลยรู้สึกเบื่อสมาธนะิทิ้งเลยไม่เอา เจริญสติในชีวิตประจําวันรวดเลยแค่ดูอยู่อย่างนั้นนะใจโล่งว่างสบายอยู่เป็นปีเลยสงสัยนะี่ไมไม่พัฒนาไปไหนเลยก็มีแต่ความสุขอยู่อย่างเงี้ยเรานั้นไปไปกับแม่ชีนี่แหละแต่ยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่ฟ้าไปกับชีนะเดี๋ยวเอาไปเลออยเป็นโยมนะไปหาท่านเพตอะ น, นั้นท่านยังเทศอยู่ข้างบนเทศบนศาลาที่บ้านตาดัดเป็นศาลาไม้ไม่โตเท่าไหร่ ไปกลับท่านนะเขากราดท่านอาจารย์ผมภาวนาครูบาอาจารย์ให้ดูจิตดูใจอยู่นี่ดูจิตดูใจมานานแล้วเป็นปีๆแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโอ้ท่านตอบโชะเลยนะที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเห็นมเหมือนที่หลวงพ่อบอกพวกเราทุกวันนี้เวลาดูจิตดูจิตที่ดูไม่ถึงนะใจไปหลงอยู่ในความนิ่งความว่างความโล่งใจไปอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเราดูไม่ออก ครูบาอาจารย์บอกให้นะโอ้โหเป็นบุญคุณเหลือเกินไม่รู้สึกอับอายขายหน้าเลยนะถ้าจะถูกท่านดุท่านด่ า, ดาแต่ท่านไม่ดูดา่าสักองค์เดียวนะเข้าไปหาเนี่ยเพราะว่าเราภาวนาจริงๆเราหวังพ้นทุกขจ์จริงๆนัครูบาอาจารย์มีแต่เมตตาให้แต่ความเมตตาของท่านเนี่ยท่านช่วยขัดช่วยกล่าเราอันไหนเราไม่รู้ทันนะท่านสอนให้ซาบซึ้งใจครูบาอาจารย์ อยู่กับท่านนะเหมือนลูกมีพ่อมีแม่นะหลวงพ่อบวชช้าไปพ่อแม่เราตายหมดแล้วนะลำบาก <laughs> อย่างดีว่าท่านสอนมาไว้แล้วพอจําทางได้ก็นะเดินเอาไม่กลัวหรอกเอา้ากลัวไหมจิตหนูยังกลัวหลวงพ่ออยู่ค่ะ <laughs> <laughs> เหรออ้าวว่าไป เมื่อวานภาวนาช่วงตกช่วงเย็นมันก็จิตใจมันก็มันก็สว่างมันสงบสว่างแล้วมันก็มีปิติก็แบบก็เลยรู้ถึงว่าแบบอาหารของนักปฏิบัติมันก็คือปิตินะ่มันทําให้อาหารของใจนัจ่นแหละปิติ<ห>เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีปิติบางทีหายนะ <c oughs> เคยได้ยินเขาสวดโพุทชงไหมพุทธ <c oughs> ชังคา <c oughs> สติสั่งฆ่าต บอกเวลาป่วยหนักนะฟังสวดพุทชงแล้วหายป่วยมีหลายองค์หายป่วยแล้วมหากัสปะป่ยวยพุทธเจ้าสวดแล้วพุทธเจ้าอาพาธหนักนะรู้สึกพระจุณทะสวดฟังแล้วหายเพราะอะไรเกิดปิติแต่ทำไมเราฟังพุทชงไม่มีปิติเราไม่รู้จักพชทชงแต่ยังไม่เคยเห็นความดีความงามความสง่าของพชทชงนะ เมื่อวางก็ประจักษ์แล้วเจ้าค่ะออแล้วพอตกตอนค่าก็นั่งภาวนาจิตมันก็แยกออกมาแล้วมันก็เห็นกายส่วนนึงใจส่วนหนึ่งเวทนาที่กล้าออก็อีกส่วนหนึ่งมันไม่เข้าถึงใจเลยมั น, ออมนไ ม, ม่รู้ถึงความรู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ใจแล้วมันไม่ได้เจ็บตรงที่ใจไม่เจ็บเนี่ยเราประคองใจให้นิ่งหรือเปล่าตัวนี้ต้องดูด้วยคิดว่าไม่ค่ะแล้วยอมก็ดูอีกประมาณชั่วโมงกว่ามันก็ มันก็ไม่มันก็มันก็แยกขนาดนี้แยกไหมขนาดนี้มันแยกไหมขนาดเนี้ยขนาดนี้ไม่ค่อยแยกเหมือนเมื่อคืนค่ะแยกน้อยกว่าเมื่อคืนค่ะแต่เม่ก็รู้ถึงเวทนาที่ขาและจิตใงมั่นไหมตั้งน้อยลงกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนตั้งเยอะอะค่ะเอาไปดูต่อนะชัวร์ค่ะเอาพี่แหม่มเยวคนอยู่วัดไม่เอาพี่ชาติชายมาด้วย กลับในพิธการท่านอาจารย์เจ้าค่ะก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยระยะนี้ก็รู้สึกว่าจิตเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาเจ้าค่ะแล้วก็ยังตีค่ามันอยู่ตลอดเวลาคืออยากจะให้มันไม่ห้ามการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ห้ามจิตทํางานนะเจ้าค่ะตอนนี้เห็นมันมากซะจนบางทีมันปวดหัวเหมันตลอดเวลาเลยคิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีอยู่หรอก คิดว่าคนที่มันเป็นบ้านี่มันคงเพราะอย่างนี้ไม่ไม่อย่างนี้ไม่เป็นบ้าคนเป็นบ้าคือมันฟุ้งแล้วไม่รู้อพี่แหม่มรู้อยู่ไม่บ้าหรอกอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อเช้าที่ท่านอาจารย์เทศนะเจ้าค่ะที่บอกว่าการไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการอยู่ตรงที่ระวังจิตยังไงยังไม่ค่อยเข้าใจเจ้าค่ะวางจิตคือเราต้องใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ส่วนใหญ่แทนที่จะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีจิตเป็นผู้เพ่งจิตลงเป็นแน่เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวใช้ไม่ได้จริงนะส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันเป็นแบบนั้นหมดเลยจิตมันไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะ <Okay. S 1> ถ้าจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้เรียกว่าเอมันได้หลักแล้วจะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยผ่านไปด้วยเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองจิตไม่ถลําเข้าไปเนี <Okay. S 1> ย่ยนั่นถึงจะเกิดปัญญา เ <Okay. S 2> นี่ยตัวที่จะแตกหักเลยว่าจะได้ปัญญาหรือไม่อยู่ที่2 ส, ส่วนนะหนวางจิตให้ถูกว่าสองรู้อารมณ์ได้ถูกรู้อารมณ์ได้ถูกก็ต้องเป็นอารมณ์รูปนามไม่ใช่เรื่องราวที่คิดอย่างเราคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องต้องรู้ความเป็นรูปธรรมนามธรรมาของมันลําพังคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนี่แค่สมถกรรมาฐานเท่านั้นเองนะทําให้ข่มราคะได้ชั่วคราว ต้องรู้ตัวอารมณ์ที่ถูกต้องต้องรู้รูปรู้นามแล้วก็มีจิตที่ถูกต้องคือมีจิตที่ไปรู้มีวิธีรู้ที่ถูกคือสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ถลำลงไปในการรู้ไม่ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งแต่ว่าสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นะอย่างเนี้ถึงจะเดินปัญญาจริงนี่เราค่อยๆพัฒนาจับหลักให้แม่นแล้วมันไม่ยากนะตอนที่เรารู้ไปรู้แล้วมันดับเนี่ยเจ้าค่ะได้ ดูเวลามันเห็นมันเกิดดับนะเพียงแต่ระวังนิดเดียวตอนที่เห็นสภาวะเกิดดับเนี่ยจิตถลำเข้าไปดูไหมหรือจิตสักว่ารู้ว่าเห็นจิตถอยออกมาเป็นคนดูนะระวังตัวนี้แหละอ ย, อย่างจิตไปคิดพี่แม่มดูออกไม่เวลาจิตไปคิดมันถลำไปอยู่ในโลกของความคิดเวลามันดูอย่างดูพระพุทธรูปลองดูซิองค์เล็กเนี่ยสมเด็จยานท่านหลอขึ้นมา จากนิมิตนะบอกว่าเจ้าชายสิทธาาัตถะถ้าหน้าตาสไตล์เนี้ยพี่แหม่มดูออกไหมบางทีจิตถลําไปที่พระบ้างจิตถลําไปคิดบ้างเ <Okay. S 1> นี่ยจิตไม่ตั้งมั่นตัวเนี้นะเพราะงั้นไม่ยากเลยนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะมันจะค่อยตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยคราวนี้ดูกายดูใจมันทํางานแต่เราไม่ถลําลงไปดูนะ อย่างเวลาเราดูพระพุทธรูปสังเกตไหมจิตเราไหลไม่อยู่ที่พระแต่พอจิตเราตั้งมั่นจริงๆเนี่ยนะพระอยู่ส่วนพระนะคนดูอยู่ส่วนคนดูจิตเราไม่ไหลเข้าไปที่พระหรอกเวลาเราดูรูปดูนามจิตไม่ไหลเข้าไปในรูปในน้ำเสียสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ห่างๆนะไม่ยากหรอกอย่าคิดเยอะก็บางทีมีความรู้สึกว่า นอกจากเราทําไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็กลับไปทบทวนหลักอยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันโง่จังเลยไม่ใช<ำ>ม่มันคิดเดยอะไป <c oughs> คิดเดยอะเท่านั้นแหละแทนที่พี่แหม่มจะเชี่ยวคิดไปเรื่อยนะพี่แหม่มรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจตัวเองบ่อยๆเอาเท่านี้แล้วเวลารู้นะทีแรกจะเห็นว่ารู้แล้วก็ถลํำลงไปยุ่งกับมันบ้างพอรู้ทันว่าจิตมันไหลเข้าไปจิตถลําเข้าไปจิตมันจะค่อยถอยออกมา อย่างที่ครูบาอาจารย์ไปก่อนสอนนะอย่างพุโทโธเนะี่ยท่านไม่ได้สอนพุโทโธให้จิตสงบเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องพุโทโธไม่ใช่นะท่านให้พุโทโธแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะลองไปอ่านนะในประวัติโลกงปมั่นที่จันมหาบัวเขียนประมาณหน้า70็ดคือ70หน่อยหน่เนะี่ยท่านสอนเรื่องทานศีลภาวนาการภาวนาที่ท่านสอนคารวานะเนะี่ยท่านสอนให้พุทธโธหรือหายใจไว้แล้วรู้ทันจิตไหมนะไม่ใช่หายใจเฉยเฉย หา ใ, ใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเราดูต่อไปจิตชำนานนะมันไหวแวบเนี่ยรู้สึกแล้วมันจะตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่เจตนาพอจิตมันตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงถึงฐานแท้จริงแล้วเนี่ยค่อยม า, มาแยกธาตุแยกขันมาดูกายดูใจทํางานนะมันเดินปัญญาต่อไม่ไปอยู่กับผู้รู้เฉยๆทั้งปีทั้งชาติไม่ได้นะจุดอ่อนของพี่แมมนะทนไหวไหมทนค่ะคิดมากไป รู้ให้เยอะคิดให้น้อย น, นี่รุ่นพี่นะหลวงพ่อเป็นเฟรชชี่นี่พี่แม่มก็เป็นจูเนียร์แล้วแต่ก่อนเอวบางร่างน้อยนะเป็นนักบอลเล่หรือนักบาทอะไรเนี่ย ว, วิ่งวิ่งว่องไวดูเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วผ่านมาสี่สิบปีวิ่งไม่ไหวอา้าวใครจะกลยกับหลว ง, งพ่อวันนี้ร้อยเจ็ดสิบก ในยานิตเองเวลาเรียกไม่ได้ดูหน้าหรอกดูสุ่มๆเอาไม่ได้ส่งกันบ้านนายแล้วค่ะก็เลยอยากไหมอยากรู้เอาทีค่ะจิตถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะโอ้รู้อีกจิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบฟุ้งซ่านค่ะรู้อีกแล้วจะถามอะไรมไม่รู้กันอยากดีก็รู้สึกว่าตัวอยาก พยายามจะไม่อยากก็มันก็เลยไกลไปไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้น ะ, ะของนิดต้องคลุกคลีน้อยๆนะค่ะคลุกคลีเยอะจะฟุ้งมากะจุดอ่อนของเราคือฟุง้งชอบยุ่งกับคนแต่ในใดๆแล้วเห็นใครก็สงสารเข า, าอยากชวนเขาภาวนาอะไรเงี้ยไปยุ่งกับเขามากไปอ่าเบอร์ยี่สิบสี่ตกลงไม่ได้ถามอนั่นแหละไม่มีอะไรถามหรอกยกไปงั้นเลย ประคองไหมหรือว่ารู้ตื่นเบิกบานไม่ค่ะก็แต่ติดนิ่งแล้วก็ติดประคองมาแบบเป็นปีๆแล้วอะค่ะแล้วก็แต่ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับเห็นนิ่งแล้วมันก็หลุดบ้างอะไรเงี้ยอะไรนะเห็นนิ่ง้อะไรนเห็นเห็นว่านิ่งแล้วมันก็หลุดออกจากนิง่ง อ, อะคะ่ะบ้างต้งรู้ทันอย่างนั้นนะคือจะไปคิดว่า <laughs> การปฏิบัติคือการต้องทำอะไรดีๆสักอย่าง การปฏิบัติมันก็แค่รู้ที่มันเป็นอย่างตอนเนี้ยมันประคองรู้ว่ามันประคองคอยากเลิกรู้ว่าอยากคแค่นี้เองก็เห็นอีกอันนึงคื อ, เ, อ, อเห็นว่าธีรสัญญามันทําให้เกิดสติบ่อยจริงๆใช่ต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นท่านไม่สอนไว้หรอกมันเบาลงแล้วเราต้องนะมันไม่แรงเจ็ดสิกกบห้ากราบนรรมัคกาครับหลวงพ่อครับ ประคองไหมไม่ไม่รู้สึกชัดนะครับหลวงพ่อถึงฐานไหมตรงถึงฐานนี้ก็ไม่รู้สึกชัดเหมือนกันเหรอแข็งแข็งไหมแข็งแขครับเ อ, อเนี่ยตัววัดเลยเห็นไหมแล้วถ้ามันแข็งแข็งอยู่เนี่ยแสดงว่ามีการประคองไว้นะถ้าประคองอยู่เนี่ยจิตไม่เข้าฐานจริงอะถ้าจิตเข้าฐานเนี่ยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานนะอ่อนโยนนุ่มนวลเบาๆนะ ถ้าถ้ามันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่จิตผู้รู้ละครับมีอยู่สักประมาณ 2-3 สมวันฮะที่ผมเห็นจะมีพูดรู้ตลอดเวลาแต่ผมไม่เคยเคยฟังเทศหลวงพ่อในซ d ดีว่ามันมันน่าจะดูทีละแวบคือมันมีสองพวกนะพวกหนึ่งที่ทำสมาธิมาก่อนเนี่ยพวกเนี้ยอยู่นานนะถ้าพวกเจริญสติมาเลยเนี่ยมันจะได้เป็นแปบบแบบ แต่ว่าพอฝึกไปนานนะเห็นทีละแวบ็บทีละแวบ็บแต่พอเห็นบ่อยนะมันเหมือนนานนะอยู่ได้ดูได้เป็นวันเหมือนกันแล้วเวลาที่เราดูได้เป็นวันนะล้วรรู้สึกเจริญ น, นะสักช่วงหนึ่งอะ่ะมันจะดูไม่เป็นอีกแล้วมันเหมือนเสื่อมไปครับเป็นทุกคนแหละก็แสดงว่าทำถูกต้องถูกสิครับแต่ตอนนี้ไม่ถูกนะตอนตอนนี้เกรงเออนั่นแหละเกรงนะครับ ได้รู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นรู้สบายสบายมีมีอย่างอื่นที่หลวงพ่อสั่งสอนไหมครับรู้สึกไหมเวลาภาวนาบางทีใจโล่งใจว่างเป็นบางครั้งนะครับแต่นะว่ า, าระยะนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับถ้ามันโลง่งโล่งว่างๆนะแสดงมันไม่เข้ามาข้างในมันจะไปอยู่โล่งๆสบายอย่างนั้นไม่ดีนะครับไม่เดินตัญญาความความรู้สึกมันจะ มันจะชัดได้ตรงไหนครับหลวงพอ่อไม่ไม่เข้าฐานนะครับไม่เข้าฐานเหรอดูยากต้องเคยเข้าฐานก่อนนะ <c oughs> เข้าจนํำนานพอไม่เข้าถึงจะรู้อะ่ะคนในโลกไม่เคยเข้าฐานเลยแต่ของคุณไม่เป็นหรอกไม่มีปัญหาอะไรหรอกทำไปเถอะครับหลวงพ่อครับอยากขอโอกาสให้ภรรยาด้วย ค, ครับดีบรู้จักเอาภรรยามาเข้าวันเนี่ยฉลาดที่สุดเลย ค่ะก็รู้สึกว่าใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะเออแต่ก็ใจมีแรงไหมเป็นคนขี้แยไหมบางครั้งค่ะอยากขี้แยเยอะเู้มแข็งไหมรู้สึกใจไม่ค่อยตั้งมั่นเราอย่างนี้คือต้องใจไม่มีแรงท ำ, ำทำอะไรูปแบบแบบใช่คะ่ะทำรูปแบบนะ้พุโทโธพุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันใจไปนะอดทนนะ เราสอนมากไม่ได้ป่าแป้ไปเดี๋ยวร้องให้ทนทนนะพน ค, ค่ะร้อยห้าสิบเจ็ดกราบหลวงพ่อครับมาจากหาดใหญ่นะครับตั้งใจมาส่งกันบ้านแล้วก็น้อมรับคำสั่งสอนครับเอาส่งมาสิอ่าช่วงนี้ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตอนจะทำในรูปแบบนะครับจะมีตัวหนึ่ง ไปหลงรอดูอยู่ข้างหน้าะนะครับ<ด>มันมันมันหลงไปเองอแล้วก็มัวแต่เป็นรอจริงๆและสภาวะที่เกิดก็คือไอตัวที่มันหลงไปนี่แหละใช่พึ่งมารูท้ทีหลัง เ, เอม้สภาวะมีตลอดเวลานะไม่ใช่ต้องรอดูหรอกมันมีอยู่แล้วหน้าที่เราก็คือมีสติรู้ทันสภาวะที่กาลังเกิดขึ้นมีปัญญารู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะนะมีสติมีปัญญาแล้วก็เวลามีอะไรใหม่ หรือว่ามีอะไรแปลกๆมามันจะชอบวิ่งไปดูไปธรรมดาจดอยู่อย่างนั้นะครับธรรมดาแต่รรมั้ามไม่ได้นะเป็นนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยอย่างหลวงพ่อแหละเวลาเกิดสภาว ะ, ะไรนะ้น้ำจะเข้าไปค้นกว้าไม่เลิกหรอกนะจนกว่าจะรู้อันแรกเลยรู้ว่ามันคืออะไรต่อมานะรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรนะอันที่สามรู้ตอนมันทาหน้าที่แลอรู้ว่าจะเกิดผลอะไร อันที่4นะรู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงตัวมันนะถ้ารู้ไปจนถึงว่าสภาวะ น, นี้เกิดมาได้งไงอันนี้ใจถึงจะยอมวางนะอันนี้เป็นนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเห็นสภาวะมาแล้วก็ไปแค่นี้ยอมแล้ะบางคนต้องรู้ละเอียดต้องรู้ลึกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบังคับจิตอยู่ไหมตอนนี้หรือเป็นธรรมชาติรู้สึกสบายครับ ตอนนี้รู้สึกสบายก่อนหน้ารู้สึกแน่นนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็สบายเดี๋ยวมันก็แน่นเดี๋ยวมันก็สบายเรื่องของมันแล้วค่ะเออนะมันนั้นดูสบายสบายไปถ้ายัางประคองอยู่มันจะอึดอัดนิดนึงแน่นๆ แ, แล้วใจเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบไม่เป็นธรรมชาติมากมันเคลื่อนไหวได้นะคล้ายๆพวกวิ่งกระสอบอะ่ะมันก็เคลื่อนไหวได้นะแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติทีเดียว รู้ไปเล่นๆอย่างใจอยากพูดรู้ว่าใจอยากพูดใจเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะเวลารู้ไม่ถลำลงไปรู้นะรู้ห่างๆนะอย่าให้จิตไหลลงไปรู้นะดูสบายๆรู้จักจิตที่ไหลลงไปดูไหมทราบครับเอออย่าใหว้วิ่งเข้าไปเลยเออนั่นนะอย่างนั้นไม่เอานะต้องอย่างนี้แหละถึงจะถูก ไม่ให้จิตถลำเข้าไปดูนะฝึกได้ดีอยู่ผลาดใหญ่อ่ะสี่สิบหก่านมาสการครับก็ช่วงนี้ก็คือถ้ามันคุ้นชินกับสถานที่ใดแล้วอะ่ะมันก็จะคอยจับผิดคนแถวๆนั้นนะครับอ้าวไม่ดูของเราลราไปดูของเขาทำไม <c oughs> <c oughs> ก็เฝ้าดูมันเรื่อยอครับแล้วก็ในใครดูของเรานะ รู้ทันใจเราดูคนอื่นกิเลสเราเกิดนะครับดูของเราเองกิเลสลดลงแล้วก็ในรูปแบบอะตอนมันปุ๊บปบไปอะมันผมผมเห็นว่ามันทำไมไม่ทำต่อครับอะไรไม่ทำต่อสมมติมว่ามันเห็นลักษณะว่าเหมือนภาพดับไปอะครับปุ๊บปๆไปแล้วก็เหมือนมันตื่นออกมาเลยครับเออนะมันไม่เข้าสมาธิต่อครับไม่อยอมเข้าครับออกมาก็รู้นะ ออกมาก็รู้บางทีจิตมันถอนออกมาครับนะอันนี้คือการดับใช่ไหมครับตรงที่เห็นปุ๊บๆมว่าเกิดดับจิตที่ทรงสมาธิอยู่แล้วจิตออกจากสมาธิอันนี้ก็ดับเหมือนกันสมาธิก็ดับเหมือนกันหพอลองลองนั่งต่อแล้วมั น, ม, นมันเขาไม่เข้าครับไม่เข้ารู้ว่าไม่เข้านะรู้ลงปัจจุบันไปบังคับไม่ได้หรอกได้หกสิบวงพอขอโอกาสพอดีน้องใหม่มาพอดีเขามีปัญหาชีวิตพอดี มีป <มา S 2> ัญหาชีวิตมีปัญหาชีวิตต้องปรึกษาแม่ชี <c oughs> <c oughs> คนชอบไปปรึกษาแม่ชีอ่ะว่าไปชีวิตอะไรมันจะมีปัญหาปี <c oughs> มีปัญหาชีวิตครอบครัวนะคะแล้วชีวิตมีปัญหาเรื่องธรรมชาตินะ <c oughs> หมดปัญหานี้มันมีปัญหาโน้นตลอดชีวิต <c oughs> เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> บางทีปัญหาเราก็สร้างเองบางทีปัญหาคนอื่นสร้างให้ แล้วเราจัดการไม่ดีเราก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก <Okay. S 1> ฝึกให้มีสติไว้มีครอบครัวแล้วมีปัญหาเรื่องธรรมดามีอะไรก็ทุกข์ราอนนั้นแหละ <Okay. S 1> ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์เยอะ <Okay. S 1> สมมุตินะสมมุติว่าแฟนเจ้าชู้สมมตินะหลวงพ่อไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร <Okay. S 1> แฟนเจ้าชู้เราอยากให้มันไม่เจ้าชู้เป็นความอยากที่เหลวไหลเราห้ามมันไม่ได้หรอกสันดาลมันอย่างนั้น okay. เรามันโง่เองตอนไปดูไม่ดูให้ดีเราต้องรับกรรมของเราไปอะไรลราต้องมีผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงๆที่มาบ่อยๆอะค่ะเขาเป็นฮ่องกงอะค่ะเขาเป็นคนฮ่องกงอะค่ะก็ภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งมาเรียนรู้จากตอนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยค่ะแล้วก็ ตอนนี้เขาได้อพ p l y ล e ์เรสิเดน์เป็นคนไทยคือจริงๆกาเป็นอเมริกันนะคะแล้วคนสัมภาษณ์ถามเขาว่าทำไมถึงอยากอยู่เมืองไทยเขาอก็อยากเรียนธรรมะจากหลวงพอะะ่อค่ะคนสัมภาษณ์เลยไปต่อไม่เป็นคื อ, ค, อ, อคุยแล้วคุยแล้วไม่รู้แต่เออ ก, ก็ก็คุยกันเรื่องธรรมะอีกนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากอยู่เมืองไทยเพราะพ่หลวงพอะะ่อค่ะดีนะอ้าร้อหกสิบ ต, ตั้งใจมากราบถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติมีเป็นยังไงบ้างเรารู้ของเราเองนะจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันดูออกไหมดูออกเจ้าค่ ะ, ะจิตใจขนาะนี้เป็นยังไงอันนี้ก็กดกดว่างว่างอยู่ข้างนอกใช่นะจิตถึงฐานไหมไม่ถึงเจ้าะ่ะใช้ได้อยู่ลงโลกมากเลยเจ้าค่ะอย่าไปหลงมันโลกมีแต่ทุกข์น ะ, ะโลกไม่เห็นมีอะไรเลย นึกว่าโอ้แต่ว่ายังเด็กนะมันก็เรื่องหลงง่ายอะ่ะถ้าเห็นโลกมานนานๆอย่างหลวงพ่อนะรู้สึกหนีออกมาได้นะบุญที่สุดเลย <c oughs> มีแต่ทุกโลกอะ่ะแชแค่เช้าตื่นขึ้นมาตะลีตาลานไปทำงานก็ทุกแล้วหนูค่อยรู้ทันปัจจุบันไปนะหนูทันได้ไดอดทนนะทำให้สม่ำเสมอนะหกสิบห้า มาสการค่ะอาจารย์ยอมไปปรับการ น, นั่งสมาธิมาตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ยมได้รับคำแนะนำจากแมชีด้วยอะค่ะก็2วันนี้วันแรกยมก็พยายามนั่งปกตินั่งก็จะรู้สึกตัวแต่ว่ายมคิดว่าย้มไม่มีบ้านให้จิตอยู่อะค่ะคือรู้สึกตัวแต่มันก็ยังฟุ้งไปเรื่อยๆยมก็เลยพยายามนั่งใช้ ท้องร่างกายที่กระเพื่อมเนี่ยเป็นบ้านให้จิตอยู่ก็คือแล้วก็พยายามถอยจิตออกมาอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ดูมันกระเพื่อมไปแล้วก็เวลาจิตไหลไปก็พยายามที่จะรู้ทีนี้ว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้า มีอยู่แวบหนึ่งว่าพอจิตมันเริ่มไหลไปปุ๊บยมรู้สึกถึงแขนตัวเองกําลังขยับอยู่เนี้ยค่ะ<ม>ก็ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเปล่าลแต่ก็ แ, แต่เป็นความรู้สึกที่มันแปลกไปนะคะนั่นแหละมันเห็นรูปตัวจริงอ๋อค่ะการภาวนานะถ้าจิตเราไปล็อกนิ่งๆอยู่ไม่เกิดปัญญาจริงหรอกเห็นไหมพอเราถอยออกมาได้นะถอยออกมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะไม่เจตนาจะเห็น ยังเห็นเลยยังบางทีขยับปั๊บรู้สึกไม่ใช่คนละเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะจะรู้สึกขึ้นมาเองเลยความรู้สึกภายในใจก็เหมือนกันไหวขึ้นมาวับแล้วมารู้เลยไม่มีคน อ, อย่างนี้ถือว่าโยมพอจะรู้สึกตัวเป็นไหมคะใช่ออยาความรู้สึกตัวกับจิตที่ตื่นนี่อันเดียวกันไหมคะใช่โอ่ะอย่างนี้โยมก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช่ อ, อย่าถล่าก็าไปคลุกกับมันนะ <c oughs> ในขณะเดียวกันตอนที่มันแยกออกมาแล้วไม่รักษามันไว้อ <c oughs> นะถ้าพยายามรักษาจะกลายเป็นเปไปบังคับกดข่มควบคุมตัวผู้รู้อีกทิ้งนะึ <c oughs> ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันมันแยกออกมาก็รู้มันไหลเข้าไปรวมกันก็รู้นะต่อไปมันจะถอยตัวออกมาแยกออกมาโดยที่ไม่ได้จงใจค่ะ <c oughs> ถ้ายังจงใจอยู่อย่างแน่นเนี่ยค่ะ <c oughs> แต่เมื่อวานตอนบ่ายนี่ก็ นั่งไม่ได้เลยอะค่ะมันจะหลับตลอดเลยมันง่วงอะค่ะเห้มหลับไปก็ปล่อยให้หลับไปใช่ไหมก็อถอยออกมาตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกการู้สึกใจต่อไปเลยอ๋อค่นะนะะคขอบคุณ <26. S 1> ค่ะยี่สิบหกดีขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนที่หลวงพ่อห่วงคนหนึ่งอะเมื่อก่อนมันติดอยู่กราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อไม่ได้สง่งกันบ้านมาประมาณแปดเดือนแล้วคะ่ะคือ ที่ปฏิบัติอะนะคะทุกวันก็จะทำในรูปแบบค่ะวันละครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งมึตอนที่เดินจงกรมเมื่อก่อนนี้เดินแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจิตไปอยู่นอกๆอกะคะ่ะแต่ตอนนี้สภาวะตรงนั้นหายไปแล้วนะคะแต่แต่เหมือนกับว่ามันมันนิ่งๆอะคะ่ะหลวงพ่อคะเออเราก็เคยเห็นสภาวะของ ความโกรธมันมันมันมันเป็นชอดฉอดฉดดับไปนะคะแต่แต่เห็นแค่ครั้งเดียวเองยอยากเห็นนะอยากเห็นอีกไม่เห็นเลยค่ะเออก็จะกราบเรียนหลวงพ่อว่าขอคำแนะนำว่าจะต้องไปดูตัวไหนอะค่ะที่ทำครึ่งชั่วโมงเนี้ยทำอะไรเอ่อไหว้พระแล้วก็เดินจงกรมค่ะเวลาเดินจิตเป็นยังไงเหมือน จิตเป็นคนดูไหมเห็นร่างกายเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดินไหมเป็นบางครั้งค่ะหรือว่าไปเกาะอยู่ที่ร่างกายก็ก็ยังเกาะอยู่ให้รู้ทันน ะ, ะอย่าไปเกาะมันค่ะบเบอย่สิบปดหลวงพ่อคะเรามีอยู่ครั้งหนึ่งหนูทราบว่าทําไม เคยเห็นสุนัขที่บ้านนะคะอยู่ๆเราไปเห็นหน้าเขาเป็นคนนะคะเออช่างมันเถอะเราตาฝาดไปคนกับหมาก็คล้ายๆกันมีปากมีจมูกมีตาสองตาสองหูคล้ายๆกันเห็นชัดเลยค่ะเห็นแวบหนึ่งไปสนใจมันเห็นหน้าเขาเป็นคนนะคะเอจิตเราก็กลัวเหมือนกับอุ้ยเราไปทําผิดไปแบบไปแกล้งเขาไปเยอะอะค่ะ อย่าไปแกล้งมันนะแกล้งหมาบาปนะออย่าไปแกล้งสัตว์นะสงสารสัตว์นะหลวงพ่ออยู่ในวัดเนี่ยเห็นสัตว์เนี่ยนะโอมีชีวิตอยู่ยากลําบากนั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเนี่ยมันขาดสติเผลอตัวแวบเดียวนะเพื่อนเอาไปกินละสัตว์เนี่ยนั้นลบากมากเห็นแล้วสงสารนั่งอย่าไปทําร้ายสัตว์นะวันย่สิบเชิญ ก, ก, การน้ำมาสการหลวงพ่อนะคะคือพอมาส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายนะคะหลวงพ่อให้ไปดูความเป็นกลางค่ะทีนี้เวลาพอเห็นความเป็นกลางเนี่ยเราเราไปตีข้าอย่างเราเหินรู้วลมอย่างนี้นะคะพอเราเห็นว่ามันมันเราให้ข้าว่ามันยินดีร้ายนี่เราเห็นเห็นขึ้นมาใช่ไห ม, อ, มอันนี้อันนี้ถือว่าเราเห็นความเป็นกลางใช่ ค, คือถ้า จิตไปรู้สภาวะแล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันนะรู้ทันว่ายินดีรู้ทันไว่หยินร้ายมันก็จะดับไปเองมันก็เป็นกลางขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวไปสัมผัสอารมณ์ใหม่ก็ยินดียินร้ายขึ้นอีกมันมันก็เห็นอารมณ์เก่าอีกแล้วมันก็เป็นกลางใหม่อย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะเลวงพ่อมันมันคือเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เป็นกลางนะค่ะมันเป็นเองให้เห็นค่ะให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางแล้วมันเป็นกลางเองค่ะคือหลวงพ่อมันแบบ เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเวลาเราเห็นความเป็นกลางนี่มันจะต่างกันกับเวลาเราเห็นปัจจุบันที่ที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันนะะอย่างอย่างถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยมันสงบมากๆเนี่ยจิตบัรจาเวลาเรารู้อารมณ์เนี่ยเราจะเห็นมันสภาวะผ่านไปผ่านมาที่จิตมันไม่เข้าไปเสพอารมณ์ น, นั้นอันนี้มันมันหมายความว่าระหว่างวันที่เราไม่มี ใจไม่ตั้งมั่นหะเราฝึกให้มากนะเอาใจไหลไปแล้วรู้เนี่ยต่อไปอยู่ในชีวิตประจําวันก็ไม่ไหลหรอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนสมาธิใช่ไหมจิตมันจะทรงสมาธิอยู่ตลอดเลยค่ะค่ะหลวงพ่อให้แล้วตอนนี้พรต้องไปทำยังไงต่อดูตรงนี้ต่อดูไปขณะนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้มันก็เหมือนกับลอยๆอยเอานะให้รู้ทันนะมันไม่ค่อยเข้ารู้ทันมันสามสิบสี่น้ัสการค่ะ เออคือระหว่างที่นั่งดูดูความรู้สึกตัวเองไปอะค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนมีเมนเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วขณะที่เรามองมองออกไปเนี่ยขณะที่เรามองรูปอยู่ตอนนั้นหูก็ยังทำงานแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ไปให้ค่ามันก็จะมันก็จะไม่รับรู้ใช่ยงนี้ถือว่าเป็นการที่แยก รู้จักแยกธาตุแยกขันต์หรือยังอะคะเออก็แยกเหมือนกันแหละเห็นไหมจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งใช่ไหมมันก็แยกเหมือนกันนะคะอันนี้แยกจิตกับจิตได้คเราแต่ว่ายังไม่เคยรู้สึกว่าเอจิตไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเดี๋ยวมันสักวันก็จะรู้เองใช่ไหมคะใช่รู้สึกไหมว่าโลกห่างออกไปบ้างไหมห่างค่ะนะเนี่ยพ้าใจเราถอนตัวออกจากโลก ฝึกไปนะ้ะโลกก็อยู่ส่วนโลกนะจิตอยู่ส่วนจิตฝึกไปเรืแต่ว่าไม่ประคองให้อยู่พ้นโลกอย่างนี้นะถ้ามันมันถอดถอนโลกห่างออกไปเองโดยไม่เจตนานั้นดีที่สุดมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เจตน า, <อ>าที่จะแยกค่ะนะถ้าเจตนาแล้วไม่ไมยอมแยกค่ะร้อยสิบห้า 115, นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นำ้ำมัสการหลวงพ่อครับ ผมไม่ได้มาสักปีแล้วครับในในหนึ่งปีที่ผ่านาเกิดเรื่องมากมายครับเอออผมเป็นมะเร็งเนยะที่ตับอ่อนแล้วเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี่มันเนื้อมันก็เข้าไปลุกที่กรนะเพาะนัก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์ซึ่งเออผมเชื่อแล้วครับว่าภาวนารุ่นบรรยอนอย่างผมแล้วก็ยังเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างมากนะ เอ่อณวันที่ผ่าตัดวันที่ผมเข้าห้องผ่าตัดไปเนี่ยจริงๆแล้วคือผมผมเพิ่งมาทราบทีหลังว่าตัวเองเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะได้ออกมาหรือเปล่านะเอ่อก็ร้องผมร้องไห้กันใหญ่เขาก็อบอกก็ผ่าตัดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้ม่หายแล้วทาไมต้องร้องไห <laughs> ้ก็เป็นวันออกเวี ย, วยน มันเจ็บมากฮะมันเจ็บจนไม่มีอะไรจะเปรียบตั้งแต่เกิดมาเจ็บจนไม่รู้จะทำยังไงก็นึกถึงคำหลวงพ่อที่เคยเคยพูดกับผมว่าก็ตกกระดายปล่อยโจนซะก็พยายามตั้งสมาธิแล้วก็มองมันไปสักพักจิตมันก็รวมซึ่งการรวมครั้งนี้มันแปลกฮะคือณวินาทนะ้นผมนิกว่าผมต้องตายแล้วชัวร์ ความรู้สึกมันก็คือเหมือนกับเราเนี่ยนอนเป็นศพอืมแล้วก็พอจิตมันรวมปึ๊บความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันก็หายไปอืแล้วมันก็เห็นอะไรไม่รู้ผ่านหน้าเต็มไปหมดอุ๊โดยที่เราไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะไปทําอะไรกับมั น, นมแล้วก็ได้แต่มองมองมองมองมันไปผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือนี่หรือไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าไม่แทรกแซงเนี่ย กับแทกแสงมันคนละอย่างนตะ่างกันเยอะอมผมก็นั่งมองมันไปแล้วก็ด้วยด้วยความรู้สึกที่ไม่เจ็บคือก็รู้สึกสบายมองไปเรื่อยๆจนจนมันหลับไปอพอฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งจิตมันก็เหมือนรู้สึกว่าเออคงไม่ตายแลย้วเว้ยนะมันคงรอดอทีนี้ พอผมเริ่มพยายามจะเข้าสมาธิเนี่ยก็รับรู้เลยครับว่ามันต่างกันมากการการรู้ของเราในขณะที่เราคิดว่าเราตายแน่ๆกับกับจิตมันบอกว่าไม่ตา ย, ยมันไม่สามารถถอนตัวเองออกมาแล้วนั่งดูนิ่งๆมันก็จะมันเกิดความสุขเลยว่าคำว่าแทรกแซงเนี่ยคืออะไรเกิดขึ้นแล้วเรารับรู้เรื่องราวแม่แต่นิดเดียวเนี่ยนั่นคือแทรกแซงแล้วผมไม่ทราบว่า น, นี่ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า คือรู้เรื่องราวไม่เป็นไรหรอกนะแต่ไปยินดียินร้ายกับเรื่องราวนะนะนะเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องราวนะนะ่นถึงจะแทรกแสงนะเพราะอย่างจิตพระละหันเนี่ยมไม่ยินดียินร้ายแต่จิตพระละหัน ร, รู้เรื่องราวไหมรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่เข้าไปแทรกแสงอนะ่ะเพราะไม่มีความยินดียินร้ายนะครับแล้วในะนาะนะวินาทีที่ที่ผมฟื้นขึ้นมาแล้วผมเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวนั่นคือผมเข้าใจถูกถูก ถ้าเกิดผมตายไปตอนนั้นก็ไปสุคตนะิก็น่าเสียดายใช่ไหมครับใครๆที่เกิดภาวะอย่างนี้นะ <c oughs> บนเสียดายทุกคน <c oughs> แหละแล้วส่วนมากก็จะอยู่ไปอีกนานเลยครับก็ที่ที่อยากจะเล่าเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากนั้นผ่านมาอีก6กเดือน <c oughs> ผมก็ต้องเข้าผ่าตัดอีกครั้งที่2 เที่ยวนี้ก็เป็นการผ่าตัดลำไส้นันงจากลำไส้มันตันนะคราวนี้ผมก็อยู่โรงพยาบาลทั้งหมดสาสิบสองวันนะอนอยู่บนเตียงทานอาหารไม่ได้แล้วก็เกิดเวทนาเยอะมากนะก็ขอขอยืนยันนะครับว่าลุ่มๆุมดอนๆ อ, อนอย่างผมเนี่ยก็เกิดประโยชน์อย่างมากความทุกข์จากการ เทียบกับสมัยก่อนที่ร่างกายแข็งแรงดีกับวันที่เข้าโรงพยาบาลแล้วต้องมาเจออย่างนั้นเนียมันนิดเดียวครั <c oughs> ก็ยังยิ้มได้ยังคุยกับแฟนได้ยังยังต้องแม้กระทั่งถึงวันที่เครียดที่สุดคือต้องตัดสินใจว่าจะต้องจะทำยังไงกับการเจ็บปวดตัวเองตอนแรกตั้งใจว่าชีวิตนี้จะไม่ผ่าตัดทีแล้วเราะมันเจ็บมากแล้วก็แต่สุดท้ายก็กตัดสินใจผ่าอีกครั้งที่สอง มันก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้โดยที่เรารู้สึกว่าเออจิคือเดิมทีไม่เคยคิดว่าตัวเองพัฒนาอะไรเลยแต่ว่าหลังจากนั้นผ่านมาเรารู้สึกว่าเออเราก็คงมาถูกทําอะไรที่มันให้ตัวเองเนี่ยเกิดการพัฒนาในด้านภารนาดได้เหมือนกั น, นก็อยากจะฝากเลยให้ทุกคนนะครับว่าใจเย็นๆนะครับคือนึกว่าไม่มีอะไรเนี่ยสุดท้ายถึงเวลาผมยืนยันเลยเกิดกับตั ว, ตวเอง นั่นแหละเวลาฉุกเฉินจริงๆนะจิตมันดีดตัวออมาองแล้วมันทํางานของมันอัตโนมัตินะดีสามสิบสองกาตัสการ ก, การัหลวงพ่อสองการบ้านนอกแป8เดินที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ไปให้ไปดูครับตัวรีบร้อนนะอะไรนะ อ, อย่ารีบร้อนครับอ๋อก็ก็ไปดูก็เห็นนะครับว่ามีตัวรีตัวรีบร้อนมันมีคร<ม>ก็เห็นบ้างนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ก็ผมก็เริ่มเอาใช้พูดโธเป็นวิหารธรรมด้วยครับแต่ว่ามันจะเป็น2อย่างลูกกับกายได้ได้ใช่ไหมครับได้ที่ทำนี่ถูกนะครับถูกเพราะว่ารู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมอ่ะดูไม่ออกครับดูออกไหมจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหมตอนนี้เบิกบานครับะเห็นไหมไม่ได้ทําอะไรมันเบิกบานทของมันเองนะครับเนื่องเพราะเพราะธรรมชาติของจิตนะตัวมันเองอ่ะผ่องใสเบิกบานอยู่แล้วล่ะแต่มันถูกกิเลสครอบไว้มันก็เลยไม่เบิกบาน ขนะ้าวหมองครับนี่ถ้าเรารู้ทันความปรุงแตง่งกิเลสก็คร่บงำจิตไม่ได้ก็เบิกบานในตัวของมันอยู่งั้นนะแต่ผมแต่ผมที่มีปัญหาถ้าทํารูปแบบท่านั่งไม่ได้ครับถ้านั่งสมาธิครับอืถนัดท่าไหนเอาท่านั้นแหละไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหรอกอย่างหลวงพ่อไม่ถนัดเดินนะผมถนัดเดินให้เดินให้เดินนะั่งภานาไม่ดีเลยนะนั่งอยู่ได้เป็นวันมานั่งดูอยู่งั้นนะดูหุ่นก็รู้ลนะ ต้องมีการบ้านอะไรไปดูเป็นพิเศษไหครับของคุณดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะนะใจมันไม่ได้เล่าร้อนอะไรแล้วพอานาไปขอบพระคุณครับรู้ไปเนียนเนยนรู้ไปสบายนะทุกวันทุกวันสี่ห้ากับนกสการ์หลวงพ่อครับก็คือแบบช่วงนี้บางทีมีครั้งหนึ่งก็นอนอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าจิตมันแบบมันเป็นทุกข์มากครับมันทรมานมากอะไรเงี้ยแล้วพอแบบ ก็เลยแบบขึ้นไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยพออีกวันหนึ่งปุ๊บจะนอนปุ๊บจิตมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับการนอนนี่แบบมันแบบมันเป็นทุกข์่ะครับมันทรมานอืมก็ถูกแล้วละ่ะนอนไม่ได้เป็นสุขหรอกเป็นทุกข์นะนอนถึงต้องพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันทุกข์อ่ะคนนึ่นเขาเสพสุขกับการนอนได้นะถ้าเราภานาจริงๆแล้วรู้เลยนอนไม่ได้มีความสุข แล้วก็เหมือนกับแบบบางทีอย่างเงี้ยบางทีเราโกรธอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกับตะก่อนมันเป็นตัวเราโกรธอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับเป็นแบบมันเหมือนกับเป็นเล่นละครนะรอะนะนั่นแหละเล่นมนไปบางทีก็ต้องเล่นนะต้องแกล้งทำหน้าทำตาด้วย <c oughs> ให้สมบทบาทแต่ว่าข้างในมันก็เฉยเฉยมันแบบมันไม่ได้โกรธจริงๆนะครับนั่นแหละฝึกไปดี แล้วก็เข่าก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตแบบไม่ค่อยมีกำลังอะไรครับเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้จิตมันแบบมีกําลังมากขึ้นนะครับใช่ดีอ่ะร้อยสามสิบแปดการรำมรสมการหลวงพ่อครับก็อาทิตย์แล้วไม่ได้ส่งหลวงพ่อครับไม่ต้องส่งทุกอาทิตย์ต้องส่งทุกอาทิตย์หรอมันพ่อมันอยากครับให้รู้ทันพะมันมีความปรุงอยู่ที่มันมันมันจับหลักได้อยู่ตัวหนึ่งครับหลวงพ่อ ตอนมันจะหยาดเนี่ยมันมีปงอยู่มันมีอะไรนะมีปงอยู่ใช่ไหมครับตัวมันมีปงมันมีสัญญาเออสังขารมันมันจะแยกอไอ้รู้เกิดดับเกิดดาบนี่พอรู้ว่ารู้ว่ามันถ้าถ้าถ้าตาเกิดอ๋อัย่างนัตัวอื่นจะไม่เกิดคือมันเปิดทีละขรู้เกิดทีละอันครับใช่ทีละอันทีนี้สมมติว่าผมอ่านหนังสือเนี่ยสองสามตัวนี่แค่สองสามตัวเนี่ยไม่ต้องรวมทั้งหน้านะครับ แค่มันคิดไปนิดเดียวไอ้สอาตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเออต้องกลับมาย้อนใหม่ใช่ทีนี้เรารู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับรู้ตัวนี้แล้วว่าเออมันก็ทีนี้มันมันมันปรุงเขาหลวงพ่อมันอยากมันก็โดดไปตามความอยากทีนี้ผมก็เลยมาเจาะดูว่าไอ้ก่อนนี้มันจะอยากมันคืออะไรมันมันมีตัวสังขารใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ตัวสังขารตัวนี้ละเอียดมากเพราะมันจะเกิดร่วมกับสัญญาก็สัญญาเ เวทนาสัญญาทั้งขาเนี่เนี่ยสามตีตัวนี่แต่มันก็จะเกิดทีละขณะเหมือนกันใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่มันเกิดทีละขณะแล้วเราก็ถ้าถ้าไม่เป็นกามก็จะโดดไปรวมกับพวกนี้เออใช่ไหมครับใช่มันแตกแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งขนาดหรอกแต่มันก็ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆแบ่งแบงตรงนี้ไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อสนุกนะครับสนุกมากดีถ้าหลับปุ๊บเนี่ยเอาละหมดเวลาดูอีกแล้วอืมก็ ปกติครับวันนี้ก็หนีงานมาครึ่งวันครับเพราะว่าตอนบ่ายจะไปทําครับก็อยากจะมาส่งหลวงพ่อเรื่อยๆแล้วก็ <laughs> ก็อยากทํางานช่วยหลวงพ่อครับเอาช่วยตัวเองก่อนครับ <laughs> ก็เลยต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องอาศัยหลวงพ่อประคองอย่างนี้ครับเออนะอ่อไปภาวนาะดีขึ้นหลอกร้วยเจ็ดสิบเจ็ดน่าอยู่ข้างหลังกราบนมัสการหลวงพ่อครับ มาครั้งแรกที่วัดนี้เมื่อประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับตอนนั้นหลวงพ่อกรุณาได้ชี้แนะว่าให้ดูสภาวะจิตที่มันลงไปแล้วก็แจ้งว่ า, อาตอนนั้นจิตผมไม่ค่อยมีกำลังครับพอกลับไปใช้ชีวิตประจำวันก็พยายามตามดูจิตไปเรื่อยนะครับแต่มันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างคือมีความรู้สึกตัวค่อนข้างน้อย มาเมื่อพระประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เริ่มจะมีเวลาที่จะปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นนะครับก็ใช้เวลาก่อนนอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิก็บางวันก็ได้ครึ่งชั่วโมงบางวันก็ได้1ชั่วโมงทีนี้ในช่วงที่เดินจงกรมนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมจะกำหนดเหมือนว่าเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าจิตมันไม่สงบมันค่อนข้างจะฟุ้ง นะครับมันฟุ้งมากนะไม่ใช่ค่อนข้างจะฟุง้งมันฟุ้งมากก็ช่วงหลังนี้อพอดีบังเอิญผมได้ไปอ่านเจอเข้าใจว่าเป็นบทความของหลวงพ่อเองบอกว่าให้ไปรู้ที่อารมณ์ก็คือจิตตรงที่เท้าสัมผัสกับพื้นเป็นอารมณ์ตรงนั้นไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ครับถ้ามันรู้มันรู้เองนะแต่ถ้าเราจงใจรู้จะได้สมถะได้ความสงบ ก็พยายามจะให้เขารู้ของเขาเอง mm hmm. ก็คื อ, อไม่ไม่เกรงไม่อะไรแต่ว่า จ, จังหวะที่เท้ า, เาสัมผัสกับพื้นเนี่ยจะมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่ามันมันมาอยู่ที่อกด้วยเนี่ยครับ uh huh. อะไร <All right. S 1> ทำนองนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าใช่ ก็คงคงจะได้ได้ได้แค่นี้ก่อนครับแล้วก็จะพยายามทําต่อไปคิดว่าความก้าวหน้าในหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็มีความก้าวหน้าขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังยังไม่มากนักครับดีนะครับก้าวหน้าไปเรื่อยแหลจะจับหลักให้แม่นแล้วไม่ยากหรอกนะอะเหลือเวลานิดหน่อยได้อีกคนหนึ่งมีไหมเอาหกสิบหกนรรษการหลวงพ่อครับก็คือที่ผ่านมา เคยเคยดูรู้สึกได้บ้างนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันมันมีอาการเหมือนแวบแน่นมาที่หน้าอกแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรครับแล้วก็ช่วงนี้ก็แบตเริ่มหมดครับอะไรหมดแบตเริ่มหมดครับในตัวครับเหมือนไม่มีไม่มีแรงไม่มีกำลังจะดูต่อครับก็ไปชาร์จแบตสิ <laughs> ทาความสงบเพรามมากนะ ส่วนมนไหว้พระพุดโธไปหายใจไปจะได้กำลังไม่ทำเลยไม่มีแรงหรอกในระหว่างวันผมควรจะทำอะไรครับในระหว่างวันผมควรจะทำอะไรเพิ่ไมไหมครับในระหว่างวันนะก็มีสติเรื่อยไปแต่ต้องทำในรูปแบบไม่งั้นอยู่ในระหว่างวันรวดไปเลยนะดูรวดไปเลยไม่มีแรงพอหรอกนะไว่เราไม่ทิ้งการทำในรูปแบบหรอก บางคนมหัดใหม่ๆหลวงพ่อให้หยุดการทำในรูปแบบไว้ก่อนเฉพาะบางคนซึ่งติดเพ่งมาจนเคร่งเครียดนี่พอเลิกเพ่งแล้วพอรู้ทันว่าเพ่งเป็นยังไงเผลอเป็นไงรู้สึกตัวเป็นทำสมาธิก็ต้องทำต่อนะก็กลับมาทำความสงบใหม่พอถึงเวลาก็ห้ทำความสงบไหว้พระส่วนมนต์นั่งสมาธิพุทโธ ร, รู้ลมหายใจ พุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปจิตค่อยสงบมีเรี่ยวมีแรงพอมาออกจากสมาธิอยู่ในชีวิตประจําวันนะก็มีสติ ต, ตามรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจตามธรรมชาติธรรมดาไปและจิตมันต้องมีกําลังที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถ้าจิตไม่มีแรงพอจะเข้าไปคลุกอารมณ์ไปรู้กายจิตเที่ยวไหลไปอยู่ที่กายไปรู้จิตจิตทก็หลงไปคิดไปอะไรต่ออะไรนะไม่มีแรงพอนะอย่าทิ้งในรูปแบบนะ ไม่งั้นไปยากแรงไม่พอนะเบอร์ยี่สิบเจ็ดหนูพ่อค่ะเข้าภาษาที่ผ่านมาก็สอบตกทุกโจทย์เลยได้เลยค่ะทำไมล่ะก็ประกาศผลแล้วหรอประกาศอีวันรเอ็ดเนี่ยพรอหนูพ่อจะออกภาษาก็อไปสอบนะวเ่กายังไม่ประกาศผล มันรอดได้ข่อเดียวคือเรื่องวัตถุทานเท่านั้นเองนอกนั้นถือว่าตกหมดนะคะสํารวจนะสํารวจกุศล<ม>อะไรยังไม่ทำอกุศลอะไรยังไม่ล ะ, ะอดทนเอาขัดเกลาตัวเองประเมินตัวเองไปเรื่อยๆนะต่ดีแล้วจะกลับเรียนถามหลวงพ่อค่ะที่คือคือเวลาที่มันกิเลสคือเปิ้นประมาทเขาเยอะอะค่ะพอไปมีความยึดมั่นถูกไหมเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกนะคะว่าต้องให้ทุกสอน<ม>เพรามันเห็นปุ๊บเนี่ย มันเห็นนะคะหลวงพอ่อแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีแรงใช่ไหม ม, มันเห็นนะมันไม่มีกำลังไม่ตัดหรอกมันไปไม่ได้เลยหรืว่ามันแบบมันกา อ, อไปไม่เป็นเออนะก็ซ้อมไปทำความสงบบ้างอะไรบ้างนะทุกวันทำในรูปแบบจะได้มีกำลังหมดเวลาพอดีพอดีอดอนึกว่าวันนี้จะมีคนถามน้อย